บุ๊กทูห59ส <59. S 1> ที่ทาการไปรษณีย์ที่ทาการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน ที่ทำการไพรส์ น, นีใกล้จากที่นี่ไหมจิดาลูกะดบลิเจชฮัดเจลิน н าพูชต์ตู้ไปรสนีที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนเจสนาคูดิตเซบลิเจเชพัสตูเวสคริญะดิฉันต้องการสแตมสองสามดวงเมเนปทริบเนเนเกลกิพัสตูเวกมารักสำหรับการและจดหมาย เดียพัสอลตาค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหรคค่าสตูปิรัเมริกนะุพัสดุหนักเท่าไรคุณจะว่ิตพดดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมฉ м น г у я ่งทางจดหมายอากาศได้ไหม ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Yakduhayanabujis Jim ด, ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Jiamahupatelivanvut ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน j e z н а х о д и т с я ближайшая e t e l e f o n n y e a b u t คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ У вас สยูสต์โทรศั н ท์ในยกร์คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะอูวาสยูสต์โทรศัพท์ д นเดวิดนิคุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะจิ в วดีเชวุควดออส с ตรียรอสักครู่ขอดูก่อนนะคะชวิลินย สายไม่ว่างตลอดเวลาลนิวสชตยคุณต่อเบอร์อะไรยากินูมาร์วินาบร่คุณต้องกดศูนย์ก่อน